คณะสัาาตยาธิยมทุกท่านต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมเทศนาขอให้คณะสัตย า, าติยมทุกท่านอยู่ในความสงบคิดว่าไม่นานหลวงพ่อจะเป็นพงแสดงธรรมในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรมขอให้คณะสัตย า, าติยมอยู่ในความสงบห้ามทายรูป ถ้าว่าผู้ใดมีโทรศัพท์ถ้าปิดเครื่องโทรศัพท์ได้ก็ดีที่โทรศัพท์เสียงดังถ้าว่ามีโทรศัพท์แบบกระเทือนก็เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้นขอขอให้ออกไปคุยกันข้างนอกอย่ามาคุยกันในกลางวงเพราะจุดนี้เป็นจุดฟังธรรมไม่ใช่กิจส่วนตัวเป็นจุดที่สาธารณะเป็นจุดที่ฟังธรรม เพราะนั้นขอให้ลูกหลานทุกๆกท่านที่มาอยู่เฉพาะในศาลาหรือว่านั่งต่อหน้าของหลวงพ่อเนี่ยให้อยู่ในความสงบพอหลวงพ่อจะได้แสดงธรรมเลิกพูดไม่ใช่ว่าการพูดและการแสดงธรรมไม่ได้คิดได้คิดพูดมันออกมาจากใจจริงเห็นไหมหลวงพ่อเวลาเทศหลวงพ่อหลับตาซะก่อนพอหลวงพ่อนั่งภาวนาอยู่กับ หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนท่านก็ให้นับตานั่งภาวนาให้ดูใจของตนเองนี่ก็เหมือนการเวลาหลวงพ่อจะพูดหลวงพ่อกอ็ออกมาจากความรู้สึกออกมาจากใจจริงอบอกกล่าวให้แก่คณะทายาิโยมลูกหลานได้ฟังพิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนี้น ะ, ะมักผลนิพพานมีจริงนะ น่ารกสวรรค์ตามทาคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยของเราท่านได้นำทาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติท่านได้รู้มรรครู้ผลยืนยันตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ท่านมีกี่เปอร์เซนท่านยืนยันรับรองหมด ว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคำสอนที่บริสุทธิ์เป็นสวาคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีการผิดเพี้ยนอันนี้ท่านเชื่อในการประพฤติปฏิบัติของท่านเพราะนั้นขอให้ลูกหลานทั้งหลายที่มานั่งอยู่นจกฐานที่นี่ขอให้ฟังเพราะชีวิตทั้งชีวิตหลวงพ่อเคยพูดให้กับ คณะสัตยาญาติโยมไม่รู้กี่ครั้งตกกี่คนว่าชีวิตของหลวงพ่อเป็นชีวิตพระป่าจริงๆลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมที่นั่งอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเน่ยถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็คงจะไม่ถือว่าหลวงพ่อขี้คุยนะขี้โอ้ขี้อวดเพราะเหตุใดเพราะว่าเห็นหลวงพ่อมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อยู่กับหลวงปู่ล่าตั้งแต่อายุ11 จบป .4 มาก็เข้ามาบวชอยู่กับหลวงปู่ล่าเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่ล่า8ปดปีแล้วก็เป็นพระหนึ่งพันษาอยู่ที่ภูเจาก่รวมแล้วอยู่กับหลวงปู่ล่าเก้าปีเป็นสมัมเณรแปดพระพันษาหนึ่งจากนั้นก็มาจำพันษาที่ห้วยทรายพันษาหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปจำพันษาที่วัดหลวงปู่แหวน อำเภอพลาวจังหวัดเชียงใหม่พันศาหนึ่งแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่บ้านห้วยทรายแห่งนี้อีกเป็นพรรษาที่สี่จากนั้นก็ได้ออกจากบ้านห้วยทรายลาหลวงอาพอหลวงปู่จามเป็นหลวงอาลาจากท่านไปเพราะว่าให้เหตุผลว่าหลวงอาครับเป็นพระน้อยพ้ะหนุ่มอย่างที่หลวงอาเคยประสบพบเห็น หลวงอาคนนี้จากบ้านไปจนถึงยี่ส29้าปีเกือบ30สปีหลวงอาจะได้กลับมากลับมาเยี่ยมโยมย่าเพราะนั้นกับผมยังเป็นผ้าน้อยผ้านมอยู่คงจะไม่พร้อมที่จะอยู่บ้านเพราะว่ากิเลสล่าคะระหว่ากิเลสไฟรุ่นเก่าเห็นคนรุ่นเดียวกันมันก็เกิด ความโลภความโกรธความหลงราคาโทสะโมหะมันเกิดขึ้นได้ง่ายครับผมแผมขอไปอยู่ที่อื่นหลงอาคงอนุญาตครับผมท่านก็เออเ อ, อ้ะท่านไม่ว่าอะไรแต่ท่านก็อยากจะให้อยู่ที่นี่เหมือนกันนะ่แะแต่ท่านห้ามไว้ไม่ได้เพราะว่าท่านก็เคยหนีจากบ้านท่านรู้รสรู้ชาติแล้วว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นท่านจึงอนุญาตนะ หลวงพ่อก็ได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดพรรษาที่ห้าที่นั่นอยู่ที่อยู่วัดป่าบ้านตาดเป็นเวลา14ปีตั้งแต่ 2,512 จนถึง 2,525 จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดไม่เคยไปไหนเลยนะจำพรรษาอยู่ที่นั่นตลอดติดต่อนอเนื่องกันเป็นเวลา14ปีจากนั้นจึงได้ย้ายเข้าไป สร้างวัดป่านาคําน้อยตั้งแต่ปี2525 25. ันนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อถ้าว่าไม่พูดให้ลูกให้หลานได้ฟังลูกหลานก็คงจะเออหลวงพ่ออินได้ยินว่าเป็นคนในถิ่นนี้ไปเป็นมาอย่างไงเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้เมื่อได้อยู่ที่นู้นก็ได้บกวนเวียนมากราบคารวะหลวงปู่ล่าที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อ หลวงพ่อยังรักเคารพในองค์หลวงปู่ตลอดแต่หลวงพ่อก็เคยพูดให้คณะท า, าทยาโยมฟังสมัยก่อนเวลากว่ามากราบเยี่ยมองค์หลวงปู่พอเดินขึ้นไปบนเขาภูเจ้าก็ใครก็เคยเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมันไม่เคยชินเอาความเหนื่อยพอขึ้นไปที่ไรก็เหนื่อยทุกทีแต่พอไปเห็นหลวงปู่เท่านั้นแหละความเหนื่อยก็หายท่านก็ได้ทักทายไปยังไๆมายังไง หลวงปู่ในท่านามีเมตตาต่อคณะศิษยานุศิษย์เราก็กราบเรียนองค์ท่านรู้สึกว่าอบอุ่นไปแต่ละครั้งอบอุ่นและจากนั้นก็ลาท่านลงมาจากเขาแต่พอหลวงปู่ละสังขารไปแล้วเวลาเราขึ้นไปกราบผู้เจ้าก็ไปกราบหลวงปูล่ลาไปกราบเจดีย์ของท่านพอขึ้นไปแล้วรู้สึกมันว้าวเว เงียบเหงา อ, อมันคล้ายๆกับว่ามันมันหมดในความรู้สึกในจิตในใจมันพูดไม่ถูกพูดอย่างนั้นพูดไม่ถูกไม่เหมือนองค์ท่านยังอยู่องค์ท่านยังยูนพอเข้ามาถึงท่านแล้วก็จิตใจมันอุ่น อ, อ, อบอุ่นลึกๆถ้าเย็นก็นเย็นแบบเย็นแบบลึกๆเย็นแบบสบายๆไม่เย็นแบบว้าเหวอ้างว้างอนี่แหละ บ, บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกพวกเราท่านทั้งหลายไปเยี่ยมพ่อกราพ่อแม่ เ, เห็นหน้าพ่อแม่ก็อบอุ่นในเมื่อพ่อแม่จากไปแล้วพวกเราไปใน่รุสึกลมไม่อยากจะไปบ้านที่พ่อแม่อยู่เลยเพราะอะไรเพราะมันไปแล้วมันว้าเหวในจิตในใจไปแล้วไม่อบอุ่นไปแล้วคล้ายๆก็มีแต่ ความหดหู่ในจิตในใจในี่แหละนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านจากไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะคณาจารยาญาติโยมลูกหลานนะอย่างองค์หลวงปู่ของเรานี่ก็เถอะนะ เ, เมื่อท่านจากไปใหม่ๆพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนก็ยังทํานองแต่เมื่อผ่านประชุมเพลิงไปแล้วเนะนี่ยพวกเราเข้ามาสู่วัด ปาวิเวกพัฒนาลามของเรานี่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนหลวงปู่ยังอยู่นะคณะจทธาญาิโยมลูกหลานนะมันมันรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับ ม, มันมีความรู้สึกไม่ไม่ดูดดืม่มรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่จะดึงดูดทางด้านจิตใจลักษณะอย่างนั้นนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้น อยากจะให้แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นกาวใจและเป็นเครื่องดึงดูดอย่างเดียว อ, อย่างนั้นก็คงจะไม่ถูกพวกเราก็ควรจะสั่งสมสร้างบารมีให้ตัวเองไปด้วยนะยิ่งสิ่งไหนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนาสั่งสอนพวกเรามาแล้วในอดีตให้ทานงนั้นนนะ่รักษาซึนอย่างนี้นะภาวนาอย่างนี้นะนรกสวรรค์อย่างนี้นะอย่าไปทำความชั่วนะ สิ่งเหล่านี้ขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังไว้ศึกษาไว้จากนั้นก็นํามาประพฤติปฏิบัตเิเมื่อเราทําอย่างนี้แปลว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่ไกลจากเราอยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นนะเพราะฉะนัะ้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนะประกอบคุณงามความดีต่อนนไปหลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมแล้วนะทีนี่นะการถ่ายรูปก็ให้งดอย่างที่หลวงพ่อได้ พูดได้กล่าวและก็ให้อยู่ในความสงบทุกๆ ท, ท่านนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอัพยากตาธรร ม, มาติติวันนี้เป็นวันที่สาม ที่หลวงปู่ของเราได้จากไปหลวงปู่ของเราหลวงปู่จามมหาปุญโญท่านอายุ104ปีเอ่อท่านได้จากไปเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2556เวลา 9:00 นแต่วันนี้เป็นวันที่21ที่พวกเราได้ทำวัด ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้สวดมาติกาอเิจา่าสองคืนแล้วอันนี้เป็นคืนที่สแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าพอมีเวลาว่างพอมีเวลาอย่ก็ขอให้ลูกหลานมาบาเพ็ญที่ให้ติดต่อนอนเนื่องมาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็มาบาเพ็ญ กูสนกับองค์หลวงปู่เพราะหลวงปู่เป็นร่มโพ ร, ร่มไทรของพวกเราบัดนี้หลวงปู่เหมือนกับต้นโพต้นไทรได้โค่นลงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องช่วยกันเก็บให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเอพราะว่าองค์หลวงปู่ท่านได้แนะนําสั่งสอนพวกเรา คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมากมายและก็ทาตัวอย่างสิ่งที่ดีให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ศึกษาในแนวทางประพฤติปฏิบัติของท่านนับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่เราได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลวงพ่อเคยพูดกับญาติพี่น้องอยู่ในเขตของหลวงพ่อเพราะในถิ่นนี้เป็นญาติพี่น้องของหลวงพ่อเกือบทั้งหมดหลวงพ่อว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านก็มาอยู่ในถิ่นของพวกเรามาสร้างวัดในถิ่นพวกเราหลวงปู่เสวก็อยู่ที่จำถ้ำจำปาบ้านกันแทร แล้วก็หลวงปู่มั่นก็อยู่ที่วัดป่า น, น้องน้องออแล้วก็อยู่ในเขตห้วยทรายท่านมาแนะนำสั่งสอนปู่ย่าตายายของพวกเราให้รู้จักศีลให้รู้จักธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในยุคนั้นสมัยนั้นในถิ่นนี้โดยมากมีแต่ถือผีกันนะออนับถือผีกันอย่างสุดๆภูไทยเนี่ยเผาผู้ไทยนี่ยถึงเดือนสามเดือนกุมภามาแล้วก่อนนั่นแหละเขาว่าเหย่า ยาวหมอเยาวอาลง เ, อเลี้ยงผีกันแล้วก็ล่องลำอะไรเลี้ยงผีผีเข้าไปสิงลักษณะอย่างนั้นแหละแต่หลวงพ่อก็ไปเห็นแต่เป็นเด็กๆหลวงพ่อก็กลัวอยู่แล้วกลัวผีใช่แต่เขาก็ทำพิธี เ, เลี้ยงผีผู้ไทยเนะี่ยเพราะนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านบอกเอ้ยสุขเจ้าท้งหลายอย่าไปนับถือถ้านับผีนะนะ ผีน่ถ้าหากว่าเรานับถือมันเป็นที่พอใจมันก็ให้คุณถ้ามันไม่เป็นที่พอใจมันก็ให้โทษมันเบียดเบียนมันทำร้ายทาลายเราเหมือนกับเราเลี้ยงนักเลงลักษณะอย่างนั้นแหละถ้ากว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีแต่คุณอย่างเดียวเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นาพระธรรมคําสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้เคารพนับถือเรื่อมใสก็เป็นพระสงฆ์ที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสมีพระคุณอย่างเดียวไม่มีคําว่าโทษมีแต่พระคุณเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ยึดพระไตรยสรณคมให้มั่นคง ถ้ายึดพระไตสรสารนาคมให้มั่นคงแล้วไม่ว่าผีสางนางไม้ไม่ว่าออยู่ยงคงกระพันสายเวทมนตลคาถาอะไรเข้ามาไม่ถึงทางนั้นถ้าเรายึดพระไตรสรนาคมให้มั่นคงเว้นถ้าว่าเราไม่ยึดให้มั่นคงนะ่ะสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาได้นะเพราะนั้นเราให้ยึดพระไตสรสารนาคมนะลูกหลานนะ อันนี้คือหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านมาสอนเผ่าภูไทยในยุคสมัยปู่ย่าตายายของหลวงพ่ออันนี้โยมพ่อเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเพราะนั้นนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากเผ่าภูไทยที่ได้นับถือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นจากนั้นกับสืบทอดมาเรื่อยๆมาถึงหลวงปู่ล่าท่านก็แนะนาสั่งสอน จากนั้นหลวงตามหาบัวก็เคยมาจมําพรรษาที่บ้านห้วยทรายเป็นเวลาถึง6ปีเออถึง6ปีหลวงปู่หลวงตามาจำพรรษาที่นี่จากนั้นมากับหลวงปู่จามตั้งแต่มาอยู่ตั้งแต่2 5 1พันหนะจนถึงตนละสังขาร2555ท่านก็แนะนําสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนให้รู้จักคุณงามความดีเท่จาจักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ พิธีการให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านก็แนะนำสั่งสอนลวนแล้วจะเป็นประโยชน์นว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะลูกหลานนะที่หลวงพ่อได้พูดอย่างที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปฏิรูปรเทสวานโซจะกอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นประเทศที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ แนะนำสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมให้กับพวกเราั น, นี้รอบปฏิรูประเทสวาโซจะปุพเพจะกัตะปุญญาตาพวกเราคงจะได้ทำคุณงามความดีได้สร้างบุญไว้ในปางก่อนพวกเราจึงได้มาเกิดในสถานที่แห่งนี้ได้นับถือพระพุทธศาสนาแต่ก่อนพวกเราคงจะตั้งความปรารถนาไว้เหมือนกันก็ขอก็อเกิดพบใดชาติใด ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารก็ขอให้มาเกิดในแดนของพระอริยะหรือมาเกิดแถวแนวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้นับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตใจของข้าพเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิให้คิดไปในทางที่ถูกต้องให้ใจเป็นสัมมาทิฐิ ทุกพบทุกชาติด้วยเทินอันนี้ก็คงจะมีความปรารถนาในอดีตที่ว่าปเุเพจะกะตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทำคุณงามความดีไว้ในปางก่อนเนีจึงได้มาเกิดดูในปฏิรูปประเทศในมีพระพุทธศาสนาและการเป็นอยู่ของเราก็ไม่แห่งแรงอาหารการบริโภคการทำมาชาติก็ไม่ได้เข็นฆ่าพวกเราพวกเราอยู่ในความผาสุกที่ว่า ปติโลประเทศคงจะเป็นบุญกุศลของพวกเราในอดีตจ้ว่าปติโลประเทศสวะโซจะตปุเพจักตะพุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิในเมื่อเรามาเกิดในสถานที่อย่างนี้แล้วพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้เป็นผู้ถึงพร้อมอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้สั่งสมกุญงามความดี ให้สังสมบูรณ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจถ้าว่าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทมาพบภพศาสนาแล้วมาเกิดอยู่ในปฏิรูประเทสวาโซจะอย่างนี้แล้วพวกเรามีตะกินเหล่าเมายาสัมเลเทเมาเทำความชั่วเสียหายอย่างนี้แปลว่าตั้งอยู่ในความประมาทออกจากภพกนิชานี้ไปแล้วพวกเราอาจจะถลํา ไปเกิดนสถานที่ใดอาจจะเป็นชาวเขาชาวดอยอาจจะไปเป็นนูน่นแถวอฟริกาหัวใหญ่ใหญ่ท้องโตโ ต, ตขารีบๆอันนั้นคือบาปกรรมพาไปเกิดพวกเราอาจจะไปเกิดอย่างนั้นก็ได้เพราะอะไรเพราะเราทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้ในเดี๋ยวนี้แต่เมื่อไม่นานมานี้มีชาวอังกฤษเกือบยี่สิบคนแต่เห็นแล้วก็ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะ เป็นผู้แสวงบุญมากับพระที่พระท่านไปแนะนำสั่งสอนทางนูน้นเขาก็เกิดความเคาครพนับถือเลื่อมใสหลงเห็นพงพ่อเห็นแล้วก็เออถึงในใจเพราะเป็นฝรั่งทั้งนั้นแผละเผลยัออยงใสด์ผ้าเสบียงสเสบียงสบายอีกต่างหากนะแล้วก็เวลาหลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังพูดเป็นภาษาไทยเขาก็ปนั่งประนมมือฟังฮะแล้วก็มีพระแปลเป็นภาษาอังกฤษ เขาก็ยิ้มแย้มแจมใสเข้าใจในทมคำสอนที่หลวงพ่อได้แนะนำสั่งสอนไปเป็นที่พอใจนี่แหละหลวงพ่อว่าไม่รู้ภาษาแต่ก็อยากจะศึกษาธรรมะอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเดฉันปฏิบัติธรรมมาถึงส0สิปีแล้วส0สกว่าปีแล้วหลวงพ่อได้ยินพวงพ่อก็ถึงในใจเหมือนกันโอ้โห โยมฝรั่งประมาณจัก60กว่าปีนะ60เกือบ70ปีเขาภาวนามาสากว่าปีเขาศึกษาธรรมะมาจากนั้นโยมผู้ชายเขาก็บอกว่าชาวฝรั่งที่หลวงพ่อพูดว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีเหตุมีผลแต่ก็ยิงอย่างที่หลวงพ่อพูดเป็นบางส่วนแต่การมีปัญญาของฝรั่งมีปัญญาที่สมองเป็นแนวความคิด แต่ไม่ออกมาจากใจจริงไม่เหมือนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาออกมาจากใจจริงหลวงพ่อเออใช่ถ้าคุณพูดอย่างนี้ก็ถูกต้องเพราะว่าการนับถือหลักการมีสติปัญญาเนี่ยมันเป็นสมองเป็นแนวความคิดแต่พูด ท, ที่จะใช้ความคิดนั้นคือใจเพราะฉะนั้นทำคําสอนมันถึงแต่สมองมันไม่ได้ถึงใจ มันไม่ได้ซึ้งถึงใจเพราะนั้นผู้ที่จะรู้เรื่องของใจนั้นคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นยืนยันอย่างนั้นได้หลักวิชาการอื่นๆวิชาแพทย์วิชามอกวิชาวิทยาศาสตร์เขาจะวิเคราะห์ได้แต่สมองเท่านั้นสมองคิดยังไงสมองคิดกาบของสมองเหมือนเขามีใส่เครื่องเข้าไปแล้วกาบสมองสมองเดินยังไงอย่างนี้เขาจะรู้ได้แต่สมอง แต่ที่หลักของพุทธศาสนาแล้วมันเหนือกว่าสมองนะคือสมองเนะ่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในหัวของเราแต่ผู้ที่มาใช้คอมพิวเตอร์นั่นคือใครคือคนคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์กดคอมพิวเตอร์ใช้นะี่คือคนแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่มากดคอมพิวเตอร์นั่นคือใครเขารู้แต่ว่าคอมพิวเตอร์มันเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ นี่แหละหลักของพทธศาสนาท่านให้มองดูคนมาใช้คอมพิวเตอร์นะนี่แหละหลักของพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่าที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่เมืองประเทศอินเดียพุทธกยานะนี่พระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ป่าตามลําพังไปค้นคว้าศึกษาอยู่เป็นเวลา6ปีอยู่ตามลําพังลองถูกลองผิดลงผิดลองถูกนั่ง ที่แรกพระองค์ทรมานพระองค์อดภักยาหารถึง49วันบเ้วันผอมโกกอย่างที่พวกเราเห็นในพุทธประวัติที่พระพองค์ทรมานพระสลีละของพระองค์แต่พระองค์กลับมาฉันพัฒหานพอฉันเสร็จแล้วท่านทรมานทางใจท่านพิจารณาทางใจท่านพิจารณาอย่างไรกำหนดทางใจการทรมานกายนีย่มันเหมือนกับทรมานรถ ถ้าจะเปรียบเทียบนะเอลถกับคนเนี่ยลถกับคนเนี่ยท่านทรมานลดใ ห, ให้ลถกระโดด เ, เหวี่ยงกระโดดบอกระโดดไม่ให้น้ํามันมันกินบ้างทรมานลอลถมันก็เป็นไปตามนั้นเอมันก็ตามสภาพของมันให้กินมากมันก็เป็นอย่างนั้นให้กินน้อยเอาจะมันล้นเออหรือว่าอาทําให้เบรกมันเป็นยังไงเยทรมาน่ะ ทรมานรถแต่พระองค์บอกว่าไม่ใช่มาพิจารณาดูแล้วการทรมานรถเนี่ยไม่ใช่มันต้องทรมานโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์เป็นผู้มีนิสัยดีขับรถไปเนี่ยรถก็จะไปในทางที่ถูกต้องมันจะไม่ชนคนมันจะไม่เหยียบคนเออมันจะไปในทางที่ถูกต้องถ้าว่าโซเฟอร์เป็นคนเกเรโซเฟอร์เป็นคนไม่ดี โซโคเป็นคนนักเลง เ, เมื่อขับรถไปเมื่อกไปไม่มีความปลาณีกับใครๆทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะโซเฟอร์ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีเมตตาในในใจของโซเฟอร์ทีนี้พระองค์ก็โอ้การทรมานกา ย, ยไม่ถูกต้องทรมานต้องทรมานโซเฟอร์ต้องดูโซเฟอร์นี่แหละจากนั้นพระองค์จึงได้กําหนด นั่งภาวนาในวันเดือนหกเพ็นนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าจากนั้นกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกดูดูโซเฟอร์นะทีนี้จากนั้นท่านไม่ได้ดูกายแต่ว่ายึดกายเป็นหลักเพราะว่าโซเฟอร์มันอยู่ในรถนะท่านก็ยึด กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นใจของพระองค์พระไทยของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งออจากนั้นพระองค์ก็เกิดญาณทัศนะเกิดฌานนะเกิดญาณทัศ น, นเกิดฌานขึ้นมาพระองค์ลํำลึกชาติผลหลังได้จะว่าปุเพเนวาสารุสติยานลํำลึกชาติผลหลังได้นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนา ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกวา่าตายแล้วไม่สูนนะตายแล้วเกิดอีกถ้าใครอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสูญนะ่ะไม่ต้องถามไม่ต้องสงสัยอย่าไปถามอย่าไปสงสัยอย่าไปเชื่อคนอื่นให้ปฏิบัติให้รู้แจ้งกับตัวเองเลยนั่งภาวนานะนั่งภาวนาจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครกายกับใจใ จ, ใจกับกายเป็นคนละอันกัน ตัวร่างกายแตกตายสลายแน่อยากองหลงปู่ของเราเนี่ยที่นั่นนอนอยู่ในเห็บอย่างเนี้ยร่างกายของท่านเนี่ยตายทำอะไรไม่ได้แต่นามธรรมคือใจของท่านเนี่ยออกจากร่างของท่านไปแล้วเนี่แหละในหลักธรรมคำสอนของ พ, พระพุทธเจ้ามโนปุพังกมาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจ นี่แหละท่านให้ความสำคัญเรื่องใจมากกว่าเรื่องของกายอั น, นี้คือตอนหัวคำ่ำนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ขั้นแรกคือว่าปุเพนิวาสานุจติญาณพระองค์มองพระองค์ก่อนดูพระองค์ก่อนดูตัวพระองค์ก่อนเราเกิดมาจากไหนใจของเรามาจากไหนใจของเราพามาเกิดใช่ไหมใจของเราเนี่ยมาจากไหนจึงมาถือปฏิสนธิมาเกิดในภพนิชาตานี้ ทันดูรู้ทั้งหมดดูอดีตชาติของพระ อ, องค์ยาวเหย็ดเลยแต่ไหนอันนี้เราปุกเพในวาสารุสิติยานจุตูปะปะตาตยานพอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์ได้ตัดรู้อีกจตูปวยังคือดูเรื่องของคนอื่นคนเราที่มานั่งอยู่ที่ศาลาทั้งหมดนี่มาจากไหนมาเกิดพระ อ, องค์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นับดูเลยนับดูเลยดูย้อนหลังแต่ละดวงวิญญาณ คนเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันคนไม่ทนหนึ่งทำไมฉลาดคนหนึ่งทำไมโง่คนหนึ่งทำไมจนคนหนึ่งทำไมรวยคนหนึ่งทำไมขี้ร้ายขี้เลงทำไมคนหนึ่งสวยงามคนหนึ่งทำไมพิกลพิการหูหนวกตาบอดทำไมไม่เหมือนกันเกิดขึ้นมาทั้งที่เกิดมาในท้องแม่อันเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็ดูอีกน่จุตูปปาตยาน การจุติและการเกิดการตายของสัรพสัตว์ท้งหลายพระ อ, องค์มองออกไปข้างนอกมองดูสรรพสัตว์พระ อ, องค์ก็ย้อนดูคนที่ตาบอดเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมในอดีตเองคนที่ถูกฆ่าตายอย่างพระโมคขาลาคนทั้งหลายจะโจทด์ขานกันว่าพระโมกขาลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกเบื้องซ้ายเหาะเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้ เป็นผู้ทำความดีมาตลอดแต่มาถูกฆ่าตายไม่สมควรอย่างยิ่งท่านโมคขลาจะถูกฆ่าคนทั้งหลายก็โจดขานกันไปกลาทูลพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกเออโมกคลาสมควรตายเพราะกรรมของตนเองไว้ในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายกราบทูลว่าเพราะเหตุไรพระพุทธเจา้าข่าท่านโมคขลาจึงได้ตายเออ สมคนรแก่กรรมท่านทำกรรมอันไหนไว้หนอไปเจ้าค่ะเพราะพระโตองค์บอกว่าในอดีตชาติพระโมคคลาเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็แม่พ่อแม่ตาบอดแล้วกเ็เลี้ยงพ่อแม่มาจากนั้นก็พอแต่งงานได้ฟังเชื่อฟังเมียของตัวเองมากกว่ายุเมียตัวเองก็ยุยงให้ข่าพ่อข่าแม่โมกคลาก็เลยไม่ได้คิดถี่ท่วน เลยเชื่อคำเมียก็เลยจัดการฆ่าพ่อฆ่าแม่ซะในพบนั้นชาตินั้นนั่นแหละบาปกรรมตัวนั้นแหละให้ผลกับพระโมคขาลามาตลอดเกิดพบใดชาติใดพระโมคขาลาก็เลยถูกฆ่ามาตลอดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โมกขาลาก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหรันต์เป็นอัครสาวกแต่กรรมตัวนั้นยังให้ผลอยู่ยังไม่หมดกรรมยังแรงอยู่ ที่ท่านได้ทําไว้ในอดีตเนะพราะได้เกิดมาพบนี้ชาตินี้ท่านโมคขาลาก็เลยถูกฆ่าตายตายเพราะกรรมของตนได้กระทําไว้ในอดีตสมควรแก่ความตายเพราะว่าตัวเองได้ทํากรรมไว้ในอดีตคือได้ฆ่าพ่อฆ่าแมยแต่บัดนี้โมกคลาได้เป็นพระอรหันต์แล้วแปลว่าอาโหสิกรรมกรรมให้ผลสาเร็จแล้วออกจากพบนี้ชาตินี้โมกคลาเข้าสู่นิพพาน กรรมทั้งหลายเหมือนกับพระโมคขาลาักข้ามฝากไปอยู่อีกฝากทะเลหนึ่งแต่หมาทั้งหลายกรรมเนี่ยเหมือนกับคือการกระทําวิ่งไปถึงแม่น้ำแล้วมันหาทางไปไม่ได้พระโมคขาลาข้ามฝั่งไปแล้วถึงเป็นแดนอวากาศของจิตของธรรมไปแล้วเป็นแดนอมตะแดนที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วกรรมตัวนี้ไปไม่ถึงแปลว่าก็เลยหมดเรียกว่าอ้โหสี่กรรมกรรมตัวนี้ตามไม่ถึง ดวงวิญญาณของเรื่องบทความบริสุทธิ์ของท่านโมกขลาอีกแล้วนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านมองท่านรู้เห็นว่ากรรมคือการกระทําของพวกเราถ้าใครทํากรรมดีกรรมดีก็จะตามสนองถ้าใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอากตังดุกตังเสยโยปัชชาตปติทุกตังกรรมชั่ว อย่าทำเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านข้าราทกาญาติโยมลูกหลานทุกคนอะไรเนี่รทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสบอกกล่าวเอาไว้จากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างพวกเราหลวงปู่จามของเราหลวงปู่ล่ากของเราหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวที่หลวงพ่อได้ศึกษา หลวงปู่ฟัน่นหลวข้อเคยไปอยู่กับท่านหลวงปู่ขาวหลวงปู่น้องแซงหลวงปู่อ่อนหลวงครูบาอาจารย์หลายหายองค์ที่เป็นลูกศิษย์เป็นศิษยาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มัน่นที่ได้ไปศึกษากับหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็มิตะสอนให้ภาวนาพุทโทนอะอย่างนี้แหละก็ขอให้ลูกหลานคณะสัทธายาติโยมทุกๆ ท, ท่านที่เป็นศิษยานุสิธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้อากล่าวชื่อถึงทั้งหมดเนี่ย ท่านบอกว่าท่านเชื่อในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเชื่อในแนวถาแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นอย่างองค์ปู่ร่า ก, ก็าดีอย่างหลวงตาก็าดีหลวงปู่แยะก็ดีเวลาจะพูดกล่าวถึงหลวงปู่มั่นท่านประนมมือสุดเออมือของท่านบนขึ้นบนศีรษะสัสะก่อนเออท่านจะบอกว่าขอกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นฮะ ก่อนที่ท่านจะพูดธรรมะเอ่ยถึงท่านเคารพถึงขนาดนั่นลหละเรื่องหลวงพ่อเห็นกับตาก่อนหน้านี้ก็เห็นไหมตรงตามหาบวนเวลามากราบเจดีมากราบพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่สกล น, นครเวลาท่านมาลูกศิษย์ลูกหากระนั่งอยู่ข้างนอกท่านเขามากราบด้วยความเคารพอย่างลึกซึ้งกราบ แต่ละครั้งพวกกราบเสร็จแล้วท่านปนมมือปนมมือขึ้นบนศีรษะของท่านนานจนพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ในนั้นน่ะโอ้ไม่รู้ท่านล้ำลึกถึงอะไรสรุปแล้วก็คือท่านล้ำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้แนะนําสั่งสอนจนท่านเป็นพระที่ดีได้รับคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่างลึกซึงอย่างถึงใจเออจากนั้นก็เดินชมเดินดูบริขารไปครั้งไหนก็ครั้งเก่าไม่ใช่ว่าไปครั้งเดียวขนาดไปเจ็ดวันไปก็ยังทําอย่างเก่าท่านลําลึกถึงนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับให้แก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่เขาควรเคารพสักการะ ที่เราจะได้ดิบได้ดีรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แล้วรู้จักคุณงามความดีเรื่องศีลสมาธิปัญญากันล้วนแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้แนะนำเป็นผู้สั่งสอนให้พวกเรารู้นถ้าจะเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลท่อย่างพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาเลิศเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระสารีบุตร เป็นอระสาวกข้างขวาประโมกคลาที่ได้หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาว่าที่ถูกที่ถูกโจนฆ่าเนี่ยคืออัระสาวกด้านซ้ายจากนั้นภาษาลิบตรท่านเป็นปริภาชกอยู่ที่กรุงราชคกุลท่านเป็นลูกเศรษฐีเป็นเพื่อนกับโมกคลาจากนั้นท่านก็เห็นเกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสนะออท่านไปเที่ยวไปชมมรหบมหโสพที่ไหน ทั้งโมกคลาทั้งสาหริบรเขาจะตั้งเก้าอี้สูงๆแล้วก็มีบริวา500รห0 0อก็นั่งเคียงคู่กันเออเวลาเห็นคนกระโดดโลดเต้นเป็นที่ถึงใจก็เทพอ่าเพราะเป็นเศรษฐีเนี่ยเทพให้เขา เ, เขาก็ยิ่งแสดงขึ้นให้เห็นเนี่ยเออเป็นที่ประทับใจ เ, เสียงสนั่นวันไว้โห o ร้องกับบริวารพวกบริวารคนละ500ร้อเนี่ย นั่งที่เก้าอี้สูงๆนั่งเกียงคู่กันเพราะเป็นเศรษฐีในกรุงราชคักยึ่นะ่ะต่ต่อมาวันนั้นบวรมีของท่านแก่กล้าทั้งคู่นะท่านเห็นมโหารศพกระโดดโลดเต้นคนทั้งหลายก็เฮ้โหดตามที่จังหวะของคนที่กระโดดโลดเต้นนั้นที่ผาดผนแต่โมกคารากระสาริบุตรนั่งก้มหน้าดูเงียบไม่โพดอะไร พอในสุดโมกคลาพอจบเรื่องการแสดงของเขาแล้วโมกคลาได้ถามว่าเอ๊ะวันนี้ท่านมีอะไรท่านสาริบุตรเพื่อนาริบุตรทำไมท่านจึงไม่สนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนครั้ง ก, งก่อนๆที่ผ่านๆมาพระซาริบุตรบอกว่าเออผมนะผมมองเห็นคนกระโดดโลดเต้ น, น, นและก็คนที่นั่งเฮ่เฮ่ รวนแล้วแต่จะตายโดยการมุดทุกคนก็ไม่รู้จะสนุกสนานไปเพื่ออะไรเกิดมาตายแทๆ้ๆทำไมจึงลืมตนลืมตัวถึงขนาดนี้เพราะชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ยืนยาวอะไรเลยแต่ทุกคนเท่าไหร่ทำไมจึงหลงถึงขนาดนี้ลืมตัวถึงขนาดนี้ผมก็เลยไม่สนุกไม่สนานวันนี้คล้ายๆว่าดูตัวเองอยู่ตลอดแล้วท่านโมคาลาละ่ะท่านก็รู้สึกว่าท่านเกเงียบๆเหมือนกันวันนี้ เออผมก็อยากจะถามในใจของท่านเหมือนกันนะโมกคลาครับใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะท่านสัตยบุตรมองเห็นคนทั้งหลายมันจะต้องตายด้วยกันทุกคนที่มานั่งอยู่ด้วยกันเราจะไปสนุกสนานเพลิดเพลินเฮ ห, หาอะไรมากมายนักหนาเ อ, อทําไมโอ้ท่าอย่างนั้นเราส ะ, สะแสวงหาธรรมดีกว่ามะโมกคลาเราจะไปหาครองเรือนออกไปสวแสวงหา ทำเข้าสู่จิตใจเถอะมันมองดูต้องหาช่องทางทางไหนที่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตายต้องมีนะออพวกเราควรจะไปหาหากูบาอาจารย์เอ อ, อก็ดีเหมือนกันจากนั้นก็เลยพอกลับไปถึงบ้านก็บอกพ่อแม่เอ้ยพวกผมจะบวชนะโมกขลากับผมจะบวชนะบอกเศรษฐีทั้งที่พระโมกษาลีบุตรเป็นพี่ชายคนใหญ่ตระกูลเศรษฐีเขาก็ต้องเอาผู้ชายคนใหญ่เป็นเศรษฐีแทนพ่อแม่ แต่ท่นี้ท่านโมกภาษาลิบูดเห็นท่านขอลามกฮลาแม่ขอขอมกฮลาขอขอลาแต่แม่ทั้งโอ้ไม่พอใจอย่างมากๆเลยที่ลูกชายหนีไปบวชนะแต่ท่านก็ไม่ได้แค่เพราะท่านเห็นความตายบรรณาภัยนี่มันอยู่แค่เอื้อมมันไม่สนุกสนานแล้วเหมือนกับอยู่ในปากของเสืออย่างนั้นแหละจะสนุกสนานได้ยังไงหายใจไม่เข้าแล้วก็ตายหายใจไม่ออกแล้วก็ตาย เราจะไปยุ่งอะไรกับโลกสงสารจนเกินไปอันนี้คือพระโมกคาลากับภาษาลิบูทท่านคิดจากนั้นท่านก็ไปบวชกับสัญชัยปริพาชกที่เป็นคณาจารย์อยู่ในกรุงราชก็คือพอประยูดกับสัญชัยปริพาชกแล้วเอ๊ะดูดูดดแลคําสอนนี้มันไม่ใช่นะท่านมีปัญญาแท้เอ๊มันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้พอพูดไปแล้วสอนไปแล้วก็ขยักไปขยักมาเอเะมือกระเยียบตัวเอง แล้วก็กระโดดไปแล้วก็มากลับมาอีกที่เก่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ใชใชอะไรคือใช่อะไรคือไม่ใช่เพราะที่สุดไม่ใช่ทางป่ะเราไปหาครูบาอาจารย์ไปคนละทางกันไงจากนั้นพระสารีบุตรกับพระโมกขาราไปคนละทางกันไปกับเดินพระมุขพระสารีบุตรเข้าไปในเมืองฮงเข้าไปในเมืองไปเห็นท่านอัจฉริย์จะไหนอัจฉริย์เนี่ยคือ เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไปปนนิบัติพระพุทธเจ้าปัญจวคีรีทั้งห้าเนะี่ยโกณทัญยะวัปปะพัทธิยะมหานามอัจฉ ช, ชนะิอ ง, งอัจฉ ช, ชิองค์ที่เล็กกว่าเพื่อนนะเข้าไปบิณทบาทในกรุงราชจะคือไปตามลําพังพอไปเดินบิณทบาตทภาษาลิบุตรเห็นเอ๊ะเห็นสมณะองค์นี้นะเนี่อครองผ้าอย่างนี้นะท่านก็เดินดูประทับใจ พอท่านเดินไปเหมือนก็มีสติอยู่ตลอดเวลาเวลาเเข้าไปบินไปรับอาหารก็เข้าไปด้วยจังหวะเข้าไปถอยออกมาก็ถอยแบบมีสติสัมปชัญญะเอสมณะท่านนี้รู้สึกว่าแปลกว่ะเป็นที่ประทับใจจากนั้นท่านก็เดินตามหลังเดินตามหลังของท่านอัเจชิเดินห่างๆนะสังเกไปอยู่ตลอดท่านอาจชิเขาไม่ลวกท่านสารีบุตรเดินตามหลังเนี่ย หนุ่มเดินตามหลังท่านพออาหารท่านมองดูอาหารพอในบาทท่านเพียงพอเลว เ, เพียงพอพอจะพอจะอิ่มได้แล้วท่านไปบินทบาทคนใส่บาทให้ท่านเลยกอนอาหารเพียงพอที่จะพออิ่มท่นก่นเดินออกมาออกนอกเมืองพระสารีบุตรก็เดินตามหลังใกล้เข้าไปพ้พนจากนอกเมืองมาพอสมควรท่านอาจจะชีก็เดินมองหาที่นั่งฮะ มองหาที่นั่งที่ไหนที่มันจะเรียบราบที่จะนั่งฉันอาหารสารลบูดเนี่ยก็เห็นท่านกำลังหาที่นั่งภาษาลีบูรกเ็เข้าไปใกล้ก็เลยหากิ่งไม้ใบไม้มาลองฮมาลองเสร็จแล้วก็ให้ท่านนั่งก็ไม่ได้ถามอะไรนะท่านอาจจะชี้ก็ขึ้นไปนั่งบนใบไม้ภาษาลิบูดเนี่ก็ท่านมีน้ำนคือปริพายชก เ, ยเขาต้องมีน้ำไปด้วยท่านก็เลยเทน้า ใส่แล้วกันล้างมือเสร็จแล้วพระอจิชิท่านก็ฉันอาหารนะท่านก็นั่งแล้วก็ฉันอาหารพระสารีบุตรก็นั่งห่างๆดูเออท่านฉันอาหารด้วยมีมีสติไม่ลุกลี้ไม่ลุกลนมีสติสัมปชัญญะไม่แกล้งทำไม่แซงทำทำแค่ๆออกมาจากใจจริงๆทำรู้สึกมันงามมันเหมาะสมไปหมดนะนี่แหละคนที่เคารพนับถือเริ่มไสกันเป็นลักษณะอย่งางนั้นะ ตอนนี้เราพอฉันเสร็จแล้วก็พระสาริบุตรก็เลยเข้าไปกราบท่านอาจารย์ครับท่านชื่อว่ายังไงเอ่ออาตเชชีว่าอาตมาภาพชื่ออัตเชชีท่านบวชในาศาสนาไหนครับผมอาตมาบวชในาศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะในาศาสนาพระเจ้าโคตมะนี่ท่านสอนอะไรครับทางพระอัตเชชีก็บอกโอ้ถ้าจะพูดว่าสอนก็สอนมากนะ พระพุทธเจ้าสอนในเล่เหลี่ยมต่างๆอริยาาสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธ ม, ม, มากมายขอให้ท่านอธิบายให้ผมฟังได้ไหมครับสาริบุตรลุกได้แต่อาตมาบวชใหม่ยังไม่ชำนาญ ใ, ในการอธิบายเอาเถอะท่านอัชชิผมเนี่เป็นอุปติสสะอ่าเป็นอุปติสสะผมพร้อมที่จะอธิบายในธรรมคาสอน ของท่านขอให้ท่านอธิบายเพียงย่นๆเท่านั้นละ่ะพอจากนั้นพระอาชาติก็อธิบายว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากไหนมันดับที่นั่นให้รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาที่ไหนมันเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นให้ดูที่นั่นนี่แหละพระอาชาิสอนพระสารีบุตร จากนั้นภาษาลิบุตรท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาบันในขณะที่ฟังได้สําเร็จพระโสดาบันเสร็จแล้วท่านก็เอออาจารย์ของเราอยู่ไหนครับท่านพระอัชาชิก็บอกว่าอาจารย์คือพระพุทธเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่วัดเวลุวันขณะนี้เออจากนั้นผมขอไปกราบพระพุทธเจ้าครับพระอาชาชิก็อํานวย บอกทางให้จากนั้นพระสารีบุตรท่านก็มาเห็นพระโมคคลาพระโมกคลาเห็นท่านสารีบุตรโอ้ท่านสารีบุตรรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสามากเหลือเกินวันนี้คงจะรู้คงจะได้อะไรมาสักอย่างมนกอาจากนั้นพระโมคคลาก็ถามที่เป็นเพื่อนกัน โ, โมคคลาหนุ่มเออท่านสารีบุตรเห็นท่านยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ ท่านมีอะไรท่านของดีๆไหมที่ได้เป็นพระสารีบุตรมีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตั้งใจฟังจากนั้นพระโมคคลาท่านก็ตั้งใจฟังพระสาริบุตรก็บอกว่าในธรรมคำสอนของที่พระอาจารย์อชชิที่สอนว่าให้ดูที่เหตุถ้าเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุชั่วผลก็ชั่วเพราะนั้นให้ดูให้ดับที่เหตุ มันมีเหตุจักก่อนมันก็ค่อยมีผลเอ๋ยเยธรรมาเหตุตุตภาวะทำทั้งหลายเรื่องหลายเกิดมาจากเหตุจากนั้นพระโมคคัลลาได้ฟังอีกก็ได้สําเร็จพระสูดาบันอีกจากนั้นทั้งสองอาจารย์ก็ได้ไปหานสนชัยปริพาชกแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วก็ชวนสนชัยไปบวชกับพระพุทธเจ้าแต่อาจารย์สนชัยไม่ยอมลูกศิษย์ของอาจารย์สนชัยตั้งห้าร้อยก็เลยไป บวชกับพระพุทธเจ้านี่แหละเมื่อได้บวชไม่นานประโมกคาราได้เจวันท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ส่วนพระสารีบุตร15วันท่านได้สาเร็จเป็นพระรหันต์ในสํานักของพระพุทธเจ้าเต้นี้ท่านได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แล้วท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ไปนสถานที่ใดทราบข่าวว่าท่านอัจจะชีอยู่ทางทิศตะวันออกท่านเวลาก่อนท่านจะนอน ท shoot, visit, ่านก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันออกกล่าวไปทางพระอัจารชีนอนแต่ทราบข่าวว่าพระอาจารยชีู้ทางทิศตะวันตกพระสารีบุตรก็หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกแล้วก็กล่าบท่านอาจารชีแล้วก็นอนหันศีรษะไปทางทิศตะวันตกทราบข่าวว่าท่านอาจารยชีอยู่ทางทิศใดพระสารีบุตรอั克拉สาวกเนี่จะหันศีรษะไปทางทิศนั้น จนโรคสิทธ์ลูกหาฤทธิคณะเพื่อนสหธรรมิกของท่านสารีบุตรก็ไม่กล้าถามทําไมอาจารย์สารีบุตรเนี่ยวันหนึ่งหันศีรษะไปทางหนึ่งวันหนึ่งหันศีรษะไปทางหนึ่งคงเป็นมิจฉาทิฐิเสียแล้วจากนั้นก็นําเรื่องที่ได้เห็นไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะอักพรสาวกท่านสารีบุตรเนี่คงจะเป็นมิจฉาทิฐิบางอย่างเสียแล้ว วางวันนอนศีษะหันไปทางหนึ่งบางทีหันศีษะไปทางหนึ่งดูแล้วแปลกแปะกพระพุทธองค์ก็เลยเรียกสารีบุตรมามาท่านสารีบุตรเขาว่าเธอปฏิบัติตนอย่างนี้ใช่ไหมพระสารีบุตรว่าใช่พระเจ้าค่ะทําไมเธอจึงหันศีรษะไปทีละทิศทีละทางอย่างนั้นด้วยเหตุอันใดพระสารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์ได้ฟังธรรมท่านอัจิชิ เป็นกุญแจดอกแรกที่ได้รู้มรู้ผลรู้ความจริงแห่งธรรมจนได้เป็นสำเร็จพระโสดาบันเพราะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังจากท่านอั ช, ชิชิก็คงจะไม่รู้ธรรมที่ลึกซึ้งขนาดนี้เป็นกุญแจดอกแรกที่ข้าพระองค์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเป็นพระอั ช, ชิชิเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสาหรับก้าวกรมเพราะนั้น ท่านอาจชิอยู่ณสถานที่ใดอยู่ในทางทิศใดก่อนที่ข้าพระองค์จะหลับนอนข้าพระองค์จะหันศีรษะไปทางนั้นเพื่อลำลึกถึงพระคุณของท่านอัจฉิทุกครั้งพระเจ้าขา่ า, ขาพพ่อทรววันแน่คือบรรชาลิบุตรเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชทํำคำสอนที่อาจารย์ให้มาได้มักได้ผลเพราะอาจารย์อัจฉิเขาไม่เลืองบุญคุณของอาจารย์นี่แหละ บัรดิตนักปราดทั้งหลายในคร้างพุทธกาลภาษาริบุตรท่านได้ทำจากท่านอัจฉริท่านไม่เคยลืมอัจฉริย์นี้ก็เหมือนกันหลวงตามหาปูวที่ท่านได้ธรรมธรรมคำสอนจากองหลวงปู่มั่นที่หลวงปูมงป่มั่นแนะนำสั่งสอนเวลาท่านไปกราบเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นท่านกราบด้วยความซึ่งใจอย่างมากที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น นี่แหะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ให้ก้าวไายให้เคารพผู้มีคุณูปการต่อพวกเราวิยวุฒิคุณวุฒิเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเ ร, เราเกิดมาจากพ่อจากแม่ก็ให้เคารพพระคุณของบิดามารดาเพราะท่านเลี้ยงดูลงมาแล้วเราไม่ควรปลาหมาท่านถึงจะโง่เง่ายังไงก็คือพ่อแม่ของเรา ท่านในเลี้ยงดูเรามาจนเราเป็นใหญ่ถึงขนาดนี้รู้จักเรียงสายพาวะเอาตัวรอดรูด้จักทำมาค้าขายรู้จักเอาชีวิตเลี้ยงชีวิตของเราถึงยังไงพ่อแม่ก็เป็นผู้มีพระคุณอุปการคุณท่านจะว่าบุพภการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อพระคุณท่านอย่างไรเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ทำกิจธุระของท่านดํารงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้ก็คือปุพภะการีอย่างองค์หลวงปู่จามของเรานี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นหลวงพ่อว่าเห็นว่าหลวงปู่จามคือเป็นหลวงอาได้เป็นหลวงอาก็เถอะเราก็นับว่าโชคดีได้หลวงอาพาพาปฏิบัติธรรมแนะนําสั่งสอนหลวงพ่อ หลายหายแนยวทางหลายห า, ยายอย่างบางทีหลวงอาหลวงอาท่านบอกว่าโตรู้ไหมเราเกิดมาพบนี้เป็นลูกชาวนาเน<ต>ีหลวงตาม่ให้หลวงปู่จามะท่านสอนหลวงพ่อนะท่านไม่ให้ลืมตัวตเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นลูกชาวนารู้ไหมอย่าลืมตัวเองเนี อ, อย่าไปเสาะสแสวงหาเอี อ, อย่าไปออกนอกลู่นอกทาง เพรเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดมาพบเดียวชาติเดียวเกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นลูกชาวนาเกิดไปต่อไปพบหน้าชาติหน้าอาจจะเกิดเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเกิดมาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็มีบางพบบางชาติเราผมเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาไม่รู้ว่ากี่พบกี่ชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเศรษฐีเกิดมาพบนี้ชาตินี้เมื่อเราเป็นคนจนเราให้บําเพ็ญเรื่องศีลเรื่องทานอย่าพึ่งพูดให้บําเพ็ญเรื่องศีล แล้วก็สมาธิให้ปัญญาให้ใช้ปัญญาแต่เรื่องทานอย่าอย่าไปขุ้นขวายถ้าเราเกิดมาเป็นเศรษฐีก่อนเกิดพบนั้นชาตินั้นแหลนะเรื่องทาทานให้ทำอย่างเต็มที่เพราะเรามีเพราะมีเราเกิดมารวยเราก็ต้องทำออแล้วก็เมื่อเราเป็นกษัตริย์เราจะสร้างอะไรเราก็สร้างเพราะเหตุใดเพราะเรามีอำนาจวาสนาที่จะทำทำได้แต่ชาตินีเออ้เราเป็นอย่างนี้ เราก็ให้บำเพ็ญเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาให้หนักแน่นถ้าว่าเราเกิดมาพบใดชาติใดเราล่ํารวยเราจึงค่อยทําบุญทําทานในพบนั้นชาตินั้นอันนั้นแปล ว, ว่าวิญญาณมีปัญญาปัญวิญญาณเฉลียวฉลาดไม่ใช่ว่าตัวเองเกิดมาเป็นคนทุกข์ก็จะเกียกตะกายไปของเงินคนอื่นมาทําบุญแตนว่านะอไม่ถูกนะแล้วก็ เ, เวลาตัวเองเป็นเศรษฐีเป็นพ่อค้านุ่น เ, เป็นเศรษฐินกษัตริย์ไปหากินเหล้าเมายาออกนอกลูนอกทางทั้งที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะตัวเองมีสมบัติก็กลับไปทำสิ่งที่มันไม่ดีสักนั่นและอันนั้นเพราะว่าวิญญาณโง่เข้าใจไหมอันนี้หลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อก็ซึ้งในใจเหมือนกันที่หลวงอาสอนนะหลวงอาบอกกล่าวบอก ให้หลวงพ่อค้ายๆว่าอย่าลืมตัวพูดง่ายๆให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกิดมาทั้งทีแล้วก็ให้ปำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอย่าไปรุ่มหลงมัวเมานี่แหละอันนี้ก็คือหลวงอาที่ท่านสอนหลวงพ่อนะและก็พร้อมกันนี่ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลาย อย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงปู่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเบื้องต้นอาตมาได้ยกเป็นพุทธภาศีว่ากุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาอัพยาคตาธรร ม, มากุสลาธรร ม, มาอากุสลาธรร ม, มาคำนี้พระพุทธเจ้าได้เจริญขึ้นไปโปรดรมาลดาบนดาวดึงสวรรค์ท่านสอนนิธรรมให้แก่เทวดา เที่ว่าอภิธรรมกุสลาธรรมาจิตที่เป็นกุศลอกุสลาธรรมาจิตใจที่เป็นอกุศลอัพยากตาธรรมาจิตที่เป็นกลางๆงจิตที่ไม่ทําดีไม่ทําชั่วแล้วว่าจิตเป็นเป็นกลางๆอังพยากตาธรรมานี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือจิตใจของเราเท่านั้นแหละจะเป็นบาปหรือเป็นบุญ กขขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มองดูใจของตนเองให้คิดดีทำดีพูดดีคิดดีก็คือคิดไปในบุญกุศลน้อมจิตไปในทางทานรักษาศีลและกภาวนาอันนี้ว่ากุศลาธรรมมาอะกุศลาธรรมานคิดไปในทางชั่วคิดว่าบาปบุญกุลโทษไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีตายแล้วศูนย์ทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่ว อันนี้แปลว่าอากุศลาธรรมมาเพราะนั้นทำแต่กรรมชั่วเพราะคนคิดว่าทําดีไม่ดีทําชั่วมันก็ทําตามอําเภอใจทําตามอัถาใจโดยมากก็จะไปทางต่ําไปทางอากุศลทางนั้นนี่เราอกุศลาธรรมมาทาทางบาปอัปยาคตาธรรมมาใจเป็นกลางๆลางไม่ดีไม่ทําดีไม่ทําชั่วอนนี้หาได้ยากที่ว่าจิตใจเป็นกลางๆ โดยมากไม่ทางบาปก็ทางบุญเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งทีได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้มาแนะนําสั่งสอนพวกเราให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมาก เยี่ยว่าเกิดมาในปฏิรูประเทสวาโซจากปุเพจั ก, กะตะปุญจตาพวกเราคงจะได้ทำคุณงามความดีไว้ในปางก่อนจึงได้มาเกิดณสถาน ท, ที่แห่งนี้อัตตะสัมมาปณ น, นิธิเมื่อเราเกิดมาแล้วพวกเราท่านทั้งหลายคนตั้งตนไว้ชอบตั้งตนให้ดเีเพื่อต่อไปภายภาคหน้าเราจะได้สูงส่งขึ้นไปกว่านี้เพราะเราได้พบพระพุทธศาสนาได้พบทำคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนพวกเราท่านทั้งหลายแล้วก็ให้มีสัมมาคาระวะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่หลวงตาท่านไปกราบครูบาอาจารย์ท่านกราบด้วยความนอบน้อมด้วยความคารวะจริงๆและจริงใจจริงๆอย่างพระสาริบุตรก็เหมือนกันท่านได้พบอาจารย์ท่านอาจจ ช, ชิอยู่ณสถานที่แห่งหนตําบลใดก่อนที่จะหลับนอนท่านก็หันศีรษะไปทางนั้นกราบ ท่านอาจจะชีสซะก่อนนะท่านจึงนอนอันนี้แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของเล็กน้อยถ้าพวกเราให้ความเชิดชูบูชาให้ความเคารพต่อพระคุณท่านทั้งหลายมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวถ้าเราประมาทพลาดพลั้งคุณพ่อแมค่คุณบิดามารดาของตนเองดูถูกพ่อแม่ของตนเองว่างโง่เง่าเต่าตุนดูถูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของตนเองคนนั้นถึงจะคิดว่าตัวเองเจริญขนาดไหน แต่ความจิบหายความหายนะอยู่ต่อหน้าอยู่ใกล้ๆคนๆนั่นแหละเพราะนั้นการพูดและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และกะบุญบา ร, รมีขององค์หลวงปู่จามหาปุญโยของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญเวทระยะยาวนานขอให้มาคุ้มครองลูกหลาน